มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้รู้ว่าการทำบุญที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไรทำบุญแล้วได้บุญนั้นทำอย่างไรเช่นตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนก็มีธรรมเนียม การไหว้บรรพบรุษไหว้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไหว้เจ้าด้วยอาหารข้าวหวานชนิดต่างๆการไหว้เจ้าไหว้บรรพบรุษนี้ตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้บุญแต่อย่างใดผู้ที่ไหว้ก็ไม่ได้บุญ ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็ไม่ได้บุญเพราะบุญที่จะเกิดนั้นต้องเกิดจากการทำทานคือแบ่งปันเสียสละข้าวของเงินทองเช่นอาหารข้าวหวานต่างๆให้แก่ผู้อื่นไป ไม่ใช่เอามาตั้งไว้เฉยๆแล้วจุดธูปเทียนสามดอกเทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็เอาอาหารข่าวหวานนั้นมารับประทานเองอย่างนี้ไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญต้องเอาอาหารข่าวหวานนั้นไปให้ผู้อื่นผู้ที่เขาอดอยากขาดแคลนทุกข์ยากเดือดร้อน ในเรื่องอาหารจะให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้จะให้กับขอทานข้างถนนก็ได้จะให้กับคนยากไร้คนยากจนหรือคนพิการคนแก่คนชราก็ได้เพราะเวลาให้ผู้ที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อน จะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานั่นแหละคือบุญบุญแปลว่าความสุขใจอิ่มใจพอทำแล้วให้ผู้ที่เขาอดอยากขาดแคลนเดือดร้อนได้รับความบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนได้รับความสุขจากการ ให้จากการเสียสละเข้าของเงินทองของเราไปเราก็จะเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจขึ้นมาแล้วความใจความอิ่มเอิบใจสุขใจนี้เราสามารถแบ่งให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ผู้ที่ตายไปเช่นบรรพบุรุษบิดามารดาปุยาตายาย ที่ล่วงรับไปแล้วถ้าเขาขาดบุญเขาก็มารับส่วนบุญนี้ไปได้แต่ถ้าเขามีบุญติดตัวไปกับเขาเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญถ้าเขารู้เขาก็จะอนุโมทนาแสดงความยินดีขอบคุณในน้ําใจในความเมตตา ของผู้ให้นี่แหละคือบุญที่จะเกิดขึ้นต้องมีการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองของตนให้แก่ผู้อื่นไปนี่คือเรื่องของการทำบุญที่จะทำให้ได้บุญอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของ ช่วงเทศกาลกินเจก็มีการกินเจคือมีการรับประทานอาหารมังสวิรัตคื อ, อะละเว้นจากการรับประทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์การรับประทานอาหารมังสวิรัตรับประทานแต่ผักนี่ก็ไม่ได้เป็นบุญแต่อย่างใดเพราะว่าถ้าเป็นบุญแล้ว พวกสัตว์เช่นวัวควายเขากินผักกินหญ้า ก, กันเป็นประจำเขาก็ต้องได้รับบุญมากกว่าพวกมนุษย์การกินผักหรือไม่กินผักการกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์นี้ไม่แตกต่างกันเป็นอาหารเหมือนกันตราบใดถ้าเนื้อสัตว์นั้นไม่ได้เกิดจากการฆ่าของเรา ถ้าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเนื้อสัตว์ฆ่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อสัตว์มารับประทานหรือสั่งให้ผู้อื่นเขาฆ่าแทนเราก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้าเราไปสั่งให้คนอื่นไปฆ่าแล้วทำเอาอาหารเอาเนื้อสัตว์นั้นทำเป็นอาหารมาให้กับเรารับประทาน ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนฆ่าเองก็ตามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบาปเช่นร้านอาหารที่มีสัตว์เป็นเป็นเช่นพวกปูปลาอยู่ในอยู่ในตุ่มอยู่ในภาชนะแล้วเราสั่งให้เขาเอาปลาตัวนั้นตัวนี้มาทําเป็นอาหารอย่างนี้ก็จะ เรียกว่าบาปแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งเขาเราไปร้านอาหารที่เขาทำอาหารจากเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเช่นเขาไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ขายตามตลาดที่ตายแล้วแล้วมาทำเป็นอาหารขายเราซื้ออาหารอย่างนั้นมารับประทานเราก็ไม่มีส่วนในการกระทำบาป เพราเราไม่ได้เป็นคนสั่งและไม่ได้เป็นคนทำํำอย่างนี้ก็จะเรียกว่าได้บุญเพราะการไม่ทําบาปนี้ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งได้บุญอย่างหนึ่งเพราะทําให้เรามีความรู้สึกสบายใจไม่กังวลไม่ทุกข์ไม่สบายใจ ที่เกิดจากการกระทาบาปนี่คือเรื่องของการทำบุญชนิดต่างๆของพระพุทธศาสนาที่พวกเราจะได้ยินได้ศึกษากันแล้วเราจะได้ทาบุญอย่างถูกต้องการทำบุญทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สิบวิธีด้วยกัน เรียกว่าบุญยักิริยาวัตถุสิบประการที่ได้พูดถึงนี้ก็เป็นบุญสองชนิดชนิดแรกก็คือบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าทานนอกจากการเสียสละข้าวของเงินทองแล้ว ถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะให้ผู้อื่นได้แต่เรามีวิชาความรู้เราก็สามารถให้วิชาความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ให้เป็นทานได้เรียกว่าวิทยาทานหรือถ้าเรามีธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นหนังสือธรรมะต่างๆ เราต้องการที่จะให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ธรรมะคาสั่งคําสอนที่เป็นคําสอนที่จะมาช่วยดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถ้าเราแบ่งปันธรรมะคําสั่งคําสอนด้วยการแจกหนังสือที่เรามีอยู่หรือช่วยกันพิมพ์หนังสือธรรมะ เอามาเผยแพ่แก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันเรียกว่าธรรมทานการให้ธรรมะนั้นชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะให้สิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะให้ได้นั่นก็คือให้การหลุดพ้นจากกองทุก ของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถซื้ออิสรภาพซื้อวิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ธรรมะจึงถือว่าเป็นของที่ล้ำค่าที่สุดในบรรดาของต่าง ที่มีอยู่ในโลกนี้การให้ธรรมะจึงถือว่าเป็นการชนะการให้ทั้งปวงชนะการให้เข้าของเงินทองชนะการให้วิชาความรู้ต่างๆเพราะเข้าของเงินทองก็ไม่สามารถที่จะซื้ออิสรภาพจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ วิชาความรู้ทางโลกทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะพาให้หลุดออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีวิชาทางธรรมนี้เท่านั้นที่จะนําพาผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติให้หลุดออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องของการทําบุญชนิดที่หนึ่ง ทำได้หลายวิธีไม่ใช่ว่าจะต้องมีข้าวของเงินทองเท่านั้นถึงจะทำได้ไม่มีข้าวของเงินทองถ้ามีวิชาความรู้ก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นได้มีธรรมะคำสอนของพระพทธเจ้าก็เอาไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ <c oughs> นอกจากการทำบุญที่เกิดจากการทำทานแล้ว การไม่ทำบาปก็ยังก็ถือว่าเป็นการทำบุญเพราะการไม่ทำบาปจะทำให้เรามีความสบายใจเวลาทำบาปแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจพอไม่ทาบาปเราก็จะรู้สึกสบายใจความสบายใจนี้ก็ก็เป็นบุญความสบายใจนี้ ที่เกิดจากการไม่ทำบาปนี้มีอยู่สี่ห้าข้อด้วยกันฮะข้อที่หนึ่งก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นสามการไม่ประพฤติผิดประเวณีสี่การไม่พูดปดโกหกหลอกลวงและห้า การละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาและอบายามุกต่างๆการดื่มสุรานีนความจริงยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นอบายามุกที่จะสนับสนุนให้เกิดการกระทำบาปขึ้นมาได้ง่ายพระพุทธเจ้าจึงทรงรวมไว้ในศีลห้าเพื่อที่จะได้ทำให้การรักษาศีลห้านี้ ทำได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าดื่มสุราแล้วก็จะขาดสติจะไม่สามารถควบคุมการกระทำทางกายทางวาจาทางใจได้นั่นเองเวลาใจคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีได้ถ้าไม่มีสติคอยมายับยัง้งการคิดการพูดการกระทาที่ไม่ดี เวลาดื่มสุราแล้วก็จะไม่มีสติที่จะมีที่จะเป็นผู้ที่จะมาคอยยับยั้งการกระทําทางกายทางวาจาทางใจไม่ให้กระทําได้พอมึนเมาแล้วก็มักจะไปทําในสิ่งที่เกิดความเสียหายต่อตนเองและต่อผู้อื่นตามมาเช่นดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมา ไปขับรถเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไปชนกับรถผู้อื่นหรือขับรถตนเองควา่าทำให้เกิดมีการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตได้ถ้าไม่ดื่มสุราก็จะไม่มึนเมาจะมีสติ ที่จะสามารถคอยควบคุมการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจให้อยู่ในที่ปลอดภัยได้คือไม่ไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและกับตนเองนั่นเองถ้าไม่ดื่มสุราแล้วก็จะรักษาศีลได้ง่ายไม่ ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดแต่ถ้าดื่มสุราแล้วมักจะไปทำผิดได้ง่ายพวกที่ไปดื่มสุรานี้ก็มักจะไปประพฤติผิดทางประเวณีต่อไปไปเที่ยวตามบาร์ตามผับไปดื่มสุราพอเกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะ มีความอยากที่จะประพฤติผิดทางประเพณีก็จะไม่มีอะไรมายับยั้งได้การดื่มโซราจึ ง, งถูกนําเอาไว้ในศีลห้าเพราะว่าจะช่วยให้การไม่กระทําบาสนั้นทําได้ยากขึ้นนั่นเองนี่คือ เรื่องของการทำบุญอย่างหนึ่งคือทำให้ใจเรามีความสุขไม่เดือดร้อนกับการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นใจก็จะไม่วุ่นวายไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัว ใจจะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองนี่คือข้อที่สองของการทำบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทำกันคือให้ละการกระทำบาปด้วยการรักษาศีลห้าและละเว้นอบายามุข ซึ่งอบายามุกนี้นอกจากการดื่มจุราแล้วก็ยังมีการเล่นการพนันการเที่ยวเตะการมีความเกียจครา้าและการคบคนชอบอบายามุกเป็นมิตรเพราะอบายามุกนี้จะไม่มีรายได้เสพอบายามุกแล้วจะมีแต่รายจ่าย ข้าวของเงินทองที่มีอยู่ทรัพย์สินที่มีอยู่ถ้าไปใช้กับการเสพอบายามุขเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไม่พอใช้พอทรัพย์สินไม่พอใช้แต่ยังชอบใช้ยังชอบเสพอบายามุขอยู่หยุดก็หยุดไม่ได้หยุดแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจก็ทําให้ต้องไปหา เงินทองในวิธีที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายเช่นข่าวที่เราคงได้ยินกันไปป้นล้านทองกาชอบใช้เงินกับอบายามุกใช้เงินกับของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของแพงๆไปเที่ยวไปหาความสุขจากการเที่ยวเต่ การดื่มสุราอันนี้ทำให้รายได้ที่ได้จากการทำงานโดยอาชีพสุดจริตนี้ไม่พอใช้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปด้วยการไปลักทรัพย์บ้างหรือด้วยการไปป้นไปจี้ร้านค้าที่มีทรัพย์สินแล้วถ้าเกิดมีการต่อสู้ขึ้นมา ก็จะมีการฆ่ากันทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตแล้วก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตามจับถ้าจับได้ก็ต้องถูกจับไปลงโทษต่อไปถ้าไม่เสบบายามุกรู้จักใช้เงินใช้ทองด้วยเหตุด้วยผลคือใช้เพื่อรักษาร่างกายชีวิตของเรา ใช้กับปัจจัยสีที่สมคี่เหมาะสมกับฐานะของตนเงินทองก็จะมีพอใช้จะไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำบาวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นบางทีก็ไปโกหกหลอกลวงบางทีก็ไปช่อโกงบางทีก็ไปป้นไปจี้ อันนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ไปยุ่งกับอบายามุขเพราะจะมีเงินทองผ่อช้ยพระพุทธเจ้าเลยสอนนอกจากการไม่กระทำบาปแล้วก็ต้องละเว้นการเสพอบายามุขด้วยเพราะการเสพอบายามุขนี้เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทำบาปขึ้นมานั่นเองนี่คือบุญ อีกระดับ1ระดับที่สองที่อาจจะยากกว่าระดับที่1นึระดับที่1ถ้าเรามีข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจะเก็บไว้หรือเก็บไปใช้เราก็ให้คนอื่นไปเราก็ได้บุญขึ้นมาแต่การรักษาศีลนี้อาจจะยากกว่าการทําบุญทําทาน แต่ก็ไม่สุดวิสัยโดยเฉพาะผู้ที่ได้ทำบุญทำทานแล้วจะง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทำทานเพราะผู้ที่ทำบุญทำทานนี้จะมีใจที่เมตตากรุณาต่อผู้อื่นนั่นเองคือจะมีความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข อยากบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นก็จะทำให้เวลาจะทำอะไรนี่จะระมัดระวังถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นถ้าทำแล้วทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนก็จะไม่ทำนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งของการทำบุญทาทานจะทำให้ มีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีเมตตาต่อผู้อื่นก็จะทำให้ไม่ไม่อยากจะทำบาปเพราะรู้ว่าการกระทำบาปนี้ย่อมทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนนั่นเองจึงทำให้ผู้ที่ทำบุญทาทานนี้สามารถรักษาศีลได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทาทาน การปฏิบัติการสร้างบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างนี้ก็เป็นเหมือนกับการขึ้นเดินขึ้นที่สูงก็ต้องมีการเดินเป็นขั้นๆไปเดินจากขั้นที่ง่ายขึ้นสูงขั้นที่ยากถ้าจะขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงเลยโดยที่ไม่ได้ขึ้นผ่านขั้นที่ต่ําก็จะขึ้นยาก เช่นจะก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สามเลย จ, มจจ ย, กกยจากขั้นที่ศูนนี้มันจะจะยากกว่าการก้าวขึ้นบันไดจากขั้นที่สองสู่ขั้นที่สามและง่ายจากขั้นที่หนึ่งสู่ขั้นที่สองพระเจ้าจึงทรงสอนการทําบุญเป็นขั้นขั้นไปเพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นได้รับผลบุญเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับนะครับ บุญที่เกิดจากาการทำบุญทำทานนี้ก็จะได้น้อยกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลแล้วบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนี้ก็จะน้อยกว่าบุญที่สูงกว่าขึ้นไปบุญที่สูงกว่าการรักษาศีลก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการภาวนาคำว่าภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใ จ, จ ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากระดับต่ำขึ้นสู่ระดับสูงได้ต้องขึ้นได้ด้วยการภาวนาทานและศีลนี้ก็ยกระดับจิตใจขึ้นสู่ระดับหนึ่งผู้ที่รักษาศีลได้ทำทานได้จิตใจก็จะขึ้นจากระดับของมนุษย์ขึ้นสู่ระดับของเทวดา เป็นเทพชั้นต่างๆมีอยู่หกชั้นด้วยกันถ้าทำวุญทำทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาหรือได้เป็นส่วนใหญ่จิตใจก็จะได้ยกระดับจากระดับของมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับของเทวดาเวลาร่างกายตายไป จิตใจที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณของเทวดาจะอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพที่มีอยู่หกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับปริมาณของการทำบุญมากน้อยต่างกันทำมากทบุญมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงทำบุญน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่ำแต่ก็เป็นสวรรค์ ที่มีความสุขมากกว่าความสุขของภพของมนุษย์ น, นี่คือการทาบุญนี้มีประโยชน์ทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ขณะที่มีชีวิตอยู่จิตใจของเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขอา น, นิสงของการทาบุญนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงไว้หลายประการด้วยกันเช่น หนึ่งจะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นหรือขณะที่หลับนะเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะปกป้องคุ้มครองรักษา mm. จะไม่ตายด้วยการถูกผู้อื่นฆ่าด้วยอาวุธหรือยาพิษนะจะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใส ถ้านั่งสมาธิถ้าฝึกสมาธิจิตใจก็จะสงบง่ายแล้วถ้าตายไปจิตใจก็จะไปเกิดในสุขติไปเป็นเทพเป็นเทวดาถ้าไม่ได้ทาถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่สูงกว่านั้นถ้าอยากที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าที่มีความสุขกว่าสวรรค์ชั้นเทพ ก็ต้องมาเพิ่มการรักษาศีลห้าให้เป็นศีล8แล้วก็จะได้มีเวลาที่จะได้ไปปฏิบัติจิตตะภาวนาคือการทำบุญชนิดที่สเรียกว่าภาวนาการภาวนานี้มีแบ่งไว้สองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนา ระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาระดับที่หนึ่งนี้ก็จะยกระดับจิตให้ขึ้นจากระดับของเทพขึ้นสู่ระดับของพรหมผู้ที่ฝึกสมาธิจนสามารถเข้าฌานในระดับต่างๆได้ก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งเป็นความสุข ระดับของพรหมโลกถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมสองชั้นด้วยกันสองระดับด้วยกันคือระดับรูปพรหมถ้าได้รูปปัจจานถ้าได้อารูปปัจจานก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นอารูปพรหมซึ่งมีความสุขที่สูงสุดในดบบนบรรดาความสุข ของไตรภพนี้ระดับของอรูปภพนี้เป็นความสุขที่สูงสุดรองลงมาก็คือความสุขของรูปภพรองลงมาก็คือความสุขของเทวภพที่อยู่ในกามภพรองจากเทวภพก็ลงมาสู่มนุษยภพภพของมนุษย์ถ้าต่ำกว่ามนุษย์ก็จะเป็นอบายมีอยู่ซี มีอยู่สี่แห่งด้วยกันคือเดรัจฉานเปรดอสุลกายและนรกเนี่ยอบายนี้เป็นที่ไปของผู้ที่ไม่รักษาศีลนั่นเองผู้ที่ทำบาปผู้ที่เสพอบายมุก เ, เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะต้องไปเป็น อ, อ, อบายดังอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้ายัางไม่ได้ร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความหิวโหวยเพราะเวลาทำบาปนั้นทำด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นดวงวิญญาณของเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นดวงวิญญาณของอสูรกาย ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นจองเวรจองกรรมก็จะไปเป็นนรกนี่คือระดับภูมิต่างๆของผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในไต่พบอยู่จะต้องเวียนว่ายสลับกันไปสลับกันมาขึ้นๆลงๆตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ถึงแม้จะได้ทำบุญขั้นสูงสุด คือขั้นอรูปฌานอารูปฌานนี้ก็เป็นอนิจจังคือยังไม่ถาวรยังเสื่อมได้ดวงวิญญาณที่ไปเกิดในอรูปภพพออรูปฌานเสื่อมลงก็เต้องเลื่อนลงมาสู่สู่รูปภพนะจากรูปภพก็จะเลื่อนลงมาสู่เทวภพ แล้วก็ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแกมาเจ็บมาตายใหม่กลับมาทุกข์กับการดำรงชีพของมนุษย์ต่อไปจนถึงวันตายตายแล้วก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปใหม่นี่เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าบาเพ็ญบุญในระดับทานศีลแล้วก็สมถภาวนาแต่ถ้าอยากจะหลุดออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ออกจากตายพบออกจากสังสารวัฏก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภาวนาขั้นต่อไป ที่เรียกว่าขั้นวิปัสสนาภาวนาภาวิปัสสนาภาวนานี้จะสอนให้จิตรู้ถึงเหตุที่ดึงให้จิตต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในใจพบนั่นเองซึ่งเป็นวิชาความรู้ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งตัดสรู้ส่งคนพบถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา โลกนี้จะไม่มีใครรู้วิธีปฏิบัติวิปัสนาภาวนากันจะรู้เพียงระดับสมถภาวนาจะรู้ระดับการรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสอง้ยิบเจ็จะรู้จากเรื่องของการทำบุญทำทานแต่จะไม่รู้จักเรื่องของวิปัสนาภาวนาว่าทำอย่างไรและทำเพื่ออะไร มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้จากวิธีปฏิบัติวิปัสนาภาวนาและรู้ว่าทมเพื่ออะไรทรงรู้ว่าทมเพื่อการดึงดวงวิญญาณที่ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ให้ได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีวิปัสนาภาวนานี้ จะไม่สามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพนี้ได้เลยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายไม่อยากที่จะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อย ก็จะต้องรอให้พบกับคนที่รู้จากวิธีปฏิบัติวิปัสนาภาวนาซึ่งนานๆนนก็จะมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักคัหนึ่งคือพระพุทธเจ้าที่พวกเราเคารพนับถือเป็นสาระเป็นที่พึ่งของพวกเรานี่เองเป็นผู้ที่ได้ค้นพบวิธีปฏิบัติวิปัสนาภาวนา แล้วพอหลังจากที่ได้ทรงใช้วิธีวิปัสสนาภาวนาทําให้จิตของพระ อ, องค์ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงมีความเมตตานาเอาความรู้ของวิปัสสนาภาวนานี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้ที่มีความปรารถนา ที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นกันจึงปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ส่งประกาศพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้โลกเหล่านี้ยังไม่ขาดพระอาหารหันยังมีผู้ที่ได้ รับคุณประโยชน์จากคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและได้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าช่วยนาเอาความรู้อันประเสริฐนี้มาเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราต่อไปพวกเราถ้ามีโอกาสได้พบกับผู้ที่รู้วิธี ปฏิบัติวิปั ส, สนาภาวนาพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราก็ต้องศึกษาการมาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งการมาฟังเทศฟังธรรมจะได้ทำให้เรามีวิชาความรู้รู้ว่า การทำบุญอย่างไรถึงจะพาให้เราได้พบกับความสุขขั้นต่างๆการทำบุญอย่างไรถึงจะทำให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและได้พบกับความสุขขั้นสูงสุดคือความสุขของพระนิพพานที่เรียกว่านิบบานังปรลมะมังสุ ข, ขัง ความสุขของพระนิพพานนี้เป็นบรมสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่เต็มร้อยที่ไม่มีความทุกข์เดือปนอยู่และเป็นความสุขที่จีรังถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปจากใจของผู้ที่ได้ไปถึงพระนิพพานแล้ว จะได้จากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมนี้จึงถือว่าเป็นการสร้างบุญอีกชนิดหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้มีอนิสงส์มีคุณประโยชน์ถึงห้าประการด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือ จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเช่นบุญชนิดต่างๆในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างเนี่ยถ้าฟังธรรมแล้วเราก็จะได้เรียนรู้วิธีทาบุญต่างๆเราจะได้เปลี่ยนวิธีทาบุญกันเช่นญาติโยมที่สายบาดในบ้านอำเภอมีอยู่ล่าหนึ่งถามเข า, าปีนี้จะไหว้เจ้าหรือเปล่าเขาบอกไม่ไหว้แล้วสายบาดดีกว่า ใส่บาทแล้วได้บุญไม่เจ้าแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรนอันนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะถ้าไม่ได้เรียนรู้ก็ยังจะคงไหว้เจ้าต่อไปไหว้แล้วก็ไม่ได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไม่ได้ไปเป็นเทพไม่ได้ไปเป็นเทวดาก็ยังเป็นมนุษย์เดินดินเหมือนเดิมอยู่นั่นเอง การฟังธรรมจึงมีบุญมีมีบุญมีกุศลมีประโยชน์ทำให้ได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าเราฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นที่ถูกต้องคือรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรไม่เป็นบุญนะรู้ว่าการกินเจนี้ไม่เป็นบุญการกินมังสวิรัตไม่เป็นบุญจะเป็นบุญก็ต่อเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเอาเพื่อเอามาทำเป็นอาหารถ้าเราฆ่าสัตว์เพื่อมาทาเป็นอาหารนี้ เป็นบาปพอเรารู้ว่าเป็นบาปเราก็เลิกฆ่าสัตว์ถ้าจะกินอาหารถ้าอยากกินเนื้อสัตว์ก็ไปหาเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมากินแทนอย่างนี้ก็จะไม่บาปจะมีความเห็นที่ถูกต้องคือรู้ว่าอะไรเป็นบุญรู้ว่าอะไรเป็นบาปรู้ว่าจิตของพวกเราตอนนี้เป็นจิตที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด และรู้ทางที่จะพาให้พวกเราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องประโยชน์ข้อที่สี่ที่จะได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมก็คือจะมีจิตใจที่ผ่องใสสงบนั่นเองและประโยชน์ข้อที่ห้า ที่จะได้รับจากการฟังธรรมก็คือจะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หายไปหมดได้ความลังเลสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงหรือไม่ถ้าได้ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วแล้วนำเอาไปปฏิบัติต่อไปก็จะหายสงสัยพอมีดวงธรรมขึ้นมาดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงพระธรรมคำสั่งคำสอนที่สอนให้ปฏิบัติเพื่อมากำจัดความทุกข์ก็เป็นคำสอนที่กำจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาผู้ที่เห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าหนังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ที่จะเห็นตถาคตต้องเป็นผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่เห็นธรรมได้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาผู้นั้นก็คือพระ อ, อริยสงสาวกพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนแล้ว ก็จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ก็จะทำให้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมาได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ตามลำดับก็จะกําจัดความสงสัยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต จะไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมคำสั่งคำสอนเป็นคำสอนที่นำเอาไปดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้หรือไม่พระอริยสงสาวกผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนั้นจะได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกได้หรือไม่จะไม่สงสัยอยู่ภายในใจเพราะ ความจริงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างแจ่มแจ้งภายในใจหลังจากที่ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติความสงสัยในธรรมต่างๆก็จะหมดสิ้นไปนี่คือบุญอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมชาวพุทธเราจึงควรฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเพราะธรรมะนี่แหละเป็น เนื้อของศาสนาศาสนานี้ไม่ได้อยู่ที่ถาวราวัตถุต่างๆไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปแต่อยู่ที่ธรรมะคสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้ศึกษาแล้วได้นำเอาไปปฏิบัติก็จะได้เข้าถึงตัวศาสนาตัวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงเพราะผู้ที่เข้าถึงทำระดับต่างๆนั้นจะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปตามลําดับจนความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในใจนี้จะหายหมดสิ้นไปเลยอ น, นี่คือเรื่องของบุญที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำ คือให้ฟังเทศฟังธรรมให้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนอยู่เรื่อยๆเมื่อฟังแล้วก็ ใ, ให้เอาไปปฏิบัติต่อเช่นทรงสอนให้ทำบุญทาทานก็ไปทำบุญทาทานกันแทนที่จะเอาเงินทองไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปเสพประบายยามุกีง ให้เอาเงินทองนี้มาทำบุญทำทานจะได้คุณได้ประโยชน์กว่าก็ะจะยกระดับจิตให้สูงขึ้นจากระดับมนุษย์ขึ้นสู่ระดับเทพเพราะการที่จะปฏิบัติให้หลุดออกจากกองทุกข์ของไตและของใจพบได้นี้จำเป็นต้องยกระดับระดับของจิตขึ้นตามลำดับ จากระดับเทพขึ้นสู่จากระดับมนุษย์ขึ้นสู่ระดับเทพด้วยการทำบุญทําทานด้วยการรักษาศีลหจากระดับเทพก็ให้ขึ้นสู่ระดับพรหมคือให้เพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีล8หรือศีลสิ 10, หรือศีล2อ7เเพื่อที่จะได้ยับยั้งการกระทํากิจกรรมในทาง รูปเสียงกลินลดไปเพราะการเสพรูปเสียงกลิ่นลดจะทำให้ติดอยู่ในการมาพบติดอยู่ในระดับสวรรค์ชั้นเทพถ้าอยากออกจากสวรรค์ชั้นเทพขึ้นสู่ระดับสวรรค์ชั้นพรหมจาเป็นที่จะต้องมีการถือศีลของนักบวชคือศีลแปดขึ้นไปและเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น สีนข้อ3ของศีลหที่ให้ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีก็ให้มาเปลี่ยนเป็นละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นให้ถืออ布รมมจริยาเวรมณีแล้วก็เพิ่มสีลข้อ6ให้ละเว้นการหาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นการรับประทานอาหาร นี้ความจำเป็นอยู่ที่การเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยากขาดแคลนซึ่งรับประทานเพียงมือสองมือก็พอรับประทานถึงเที่ยงวันนี้ก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้แล้ว จะได้ไม่ต้องมากุ้งวายกังวลกับการรับประทานอาหารมื้อเย็นต่อไปเพราะการรับประทานอาหารมื้อเย็นก็จะทำให้จิตนี้ติดพันกับการรับประทานอาหารแล้วพอรับประทานมากๆ ก, ก, ก็จะทำให้เกิดความเกลียดคร้านเกิดความง่วงนอนจะไม่อยากไปบำเพ็ญจิตภาวนานั่นเอง พระพุทธเจ้าเลยต้องห้ามไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าอยากจะยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับพรหมนีต้องหยุดการรับประทานอาหารเย็นแล้วก็ละเว้นการหาความสุขจากการบันเทิงและมหัศลศพต่างๆเช่นการไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานอะไรต่างๆ ที่มีมหรสพมีบันเทิงต่างๆมีการรับประทานอาหารค่ำกันอันนี้ให้ละเว้นเสียเพื่อที่จะได้มีเวลามายกระดับจิตให้สูงขึ้นด้วยการบําเพ็ญสมถะภาวนาไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามเสริมความงาม ด้วยวิธีการต่างๆเพราะจะเป็นการเสียเวลาแล้วก็ไม่ให้หลับนอนมากเกินไปให้หลับนอนพอกับการต้องการของร่างกายเหมือนกับอาหารอาหารก็ไม่ให้รับประทานมากเกินไปการหลับนอนก็ไม่ให้รับให้ไม่ให้หลับนอนมากเกินไปวิธีที่จะทำให้ไม่หลับนอนมากเกินไปก็ให้นอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆ พอนอนแล้วมันจะสบายเกินไปเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาแทนที่จะลุกขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกเพราะมันรู้สึกสบายก็ขอนอนต่อก็จะเสียเวลามีค่าที่จะเอามาใช้กับการภาวนาไปนั่นเองผู้ที่จะภาวนาจึงจำเป็นที่จะต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดหรือศีลสิบ รุรือศยี่สิบจจะทำให้ได้ให้จะให้มีเวลามาจเจริญส ม, มถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลาดับได้ขั้นต้นก็ให้ยกระดับขึ้นสู่ระดับพรมก่อนโดยการจเจริญส ม, มถภาวนาคือการทำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานอยู่ในรูปฌานหรือในอรูปฌาน การที่จะทำให้ใจนี้เข้าสู่สมาธิเข้าสู่รูปฌปานได้จาเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติต้องมีสติพอสตินี้เปียบเหมือนเชือกเชือกที่ที่จะมัดลิงถ้าเราต้องการให้ลิงนี้อยู่เฉยๆเราต้องหาเชือกมาจับลิงมัดลิงไว้กับต้นไม้หรือกับเสามัดให้มันแน่นๆมันก็จะดิ้นไม่ได้ แัในใดจิตของพวกเราก็เหมือนหนึ่งเพราะว่ามันไม่เคยอยู่นิ่งๆมันไม่เคยอยู่เฉยๆมันคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าขึ้นมาจนถึงตอนนี้ญาติโยมหยุดคิดกันยยหรือยังเลยคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดมาแบบนี้มาตั้งแต่วันเกิดเลยคิดมาไม่เคยเจอวันไหนที่ว่าเอ๊อยู่ดีๆจิตของเราหยุดคิดขึ้นมาเนี่ยมันแทบจะไม่มี อยู่ดีๆจะปล่อยให้จิตมันหยุดคิดขึ้นมานี้ไม่มีนอกจากคนที่เคยฝึกจิตมาในอดีตแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นพระพุทธเจ้านี่ตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตถะตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่อายุไม่มากท่านประทับอยู่ใต้ต้นไม้ตามลำพังวันนั้นพวกเอ่อพวก บ, บริษัทบริวารที่คอยเฝ้ารับใช้นั้นจำเป็นต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นเลยปล่อยให้เจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่ตามอยู่ใต้โคนไม้ตามลำพังพอพระองค์อยู่ตามลำพังไม่มีใครห้อมล้อมไม่มีใครมาดึงให้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ จิตที่เคยสงบมาก็สงบได้โดยอัตโนมัตนนิพระองค์ทรงเล่าว่าเป็นความรู้สึกแปลกประหลาดมหัศจรรย์มีความสุขมีความสงบที่ไม่เคยพบมาก่อนแตก็เป็นเพียงความสงบชั่วคราวเพราะพ อ, พ, อพวกบริวารกลับมารับใช้มาชวนคุยมาชวนเล่นชวนทำอะไรต่างๆ ความสุขความสงบของจิตนั้นก็หายไปอันนี้เป็นกรณีของผู้ที่เคยบำเพ็ญจิตตะภาวนามาแล้วในอดีตเนี่ยถ้ามีโอกาสมีสิ่งแวดล้อมที่สงบเงียบเป็นที่วิเวกสงบขึ้นมาอยู่ดีๆจิตก็สงบขึ้นมาได้ญาโยมบางท่านก็มาเคยเล่าให้ฟังว่าบางทีบางวันอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไร จิตยี่ก็อยู่นิ่งขึ้นมาเฉยๆอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเคยทำมาก่อนพอมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้จิตนิ่งสงบมันก็จะนิ่งขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่เคยทำมาก่อนถ้าอยู่คนเดียวแล้วแทนที่จะนิ่งสงบกับ ว, าว้าเวกับเหงาขึ้นมากับรู้สึกงดจิตลำคาญใจขึ้นมาแทน ถ, ถ้าต้องการทำจิตให้สงบถ้ายังไม่เคยสงบมาก็ต้องหาเชือกมาลักจิตไว้ผูกจิตให้อยู่เฉยเฉยเชือกที่จะมาผูกจิตให้อยู่นิ่งอยู่เฉยเฉยนี้เราเรียกว่าสติสตินี่คือการระลึกรู้ให้ระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวคือให้รู้อยู่กับความว่างถ้ายังไม่สามารถ บังคับให้จิตหยุดคิดให้อยู่กับความว่างได้ก็แสดงว่าจิตยังไม่มีสติพอเมื่อไม่มีสติพอก็ต้องสร้างสติขึ้นมาหาเชือกขึ้นมาเชือกนี้เรียกว่ากรรมฐาน กรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันเป็นอารมณ์ที่เราสามารถเอามาใช้ในการระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆได้กรรมฐานที่ใช้ในระดับเบื้องต้นในระดับทั่วไปนี้เรียกว่าอนุสติเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติที่ชาวพุทธเราใช้กันด้วยการไหว้พระสวดมนต์ เวลเราสวดมนต์เราก็จเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสวดอิติปิโสอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเรียกว่าเรากำลังจเจริญพุทธานุสติถ้าเราอยากจะใช่แบบย่อเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธแทนก็ได้ก็ถือว่าเป็นการจเจริญพุทธานุสติเหมือนกันและการจเจริ อนุสตินี้เป็นการกระทำที่สามารถทำได้ในทุกอิรยาบทในทุกขณะของของชีวิตลื่มตาขึ้นมาก็สามารถเจริญพุทธานุสติได้เลยเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อที่จะคอยห้ามความคิดต่างๆที่ไม่สำคัญที่จะต้องคิดไม่ให้คิดนั่นเอง ปกติถ้าเราไม่มีพุโทโธพอเราเลืมตาขึ้นมาเราก็จะเริ่มคิดแล้วไอ้วันนี้วันอะไรจะไปทาอะไรกับใครที่ไหนไปกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปห่วงใ ย, ยกับคนนั้นคนนี้ขึ้นมาแนละ้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ไปสู่เหตุการณ์นั้นเลยแต่จิตใจมันไปก่อนแนละ้วอย่าเพิ่งปล่อยให้มันไปให้มันถึงเวลานั้นก่อนแล้วค่อยไปกังวล ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานั้นอย่าไปกังวลตอนนี้ตอนที่เราเตรียมตัวที่จะออกไปทําภารกิจการงานต่างๆทําใจให้ว่างดีกว่าทําใจให้ว่างด้วยพุทธโธดีกว่าเพราะความว่างจะทําให้ใจเย็นทําให้ใจสบายแล้วพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้นะครับเห็ น, น, นการใช้อนุสติคือพุทธานุสตินี้จะ มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบเพราะถ้ายังไม่มีพุโทโธยังควบคุมความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธินี้นั่งยังไงก็ไม่มีวันสงบนั่งแล้วแทนที่จะพุโทโธดูลมหายใจมันก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยๆนั่งไปกี่นาทีก็ไม่นิ่งไม่สงบจนทาให้เกิดความท้อและอาจจะทาให เบื่อจะไม่อยากปฏิบัติขึ้นมาเพราะว่าทําแล้วไม่ได้ผลนั่นเองเพราะไม่ได้ศึกษาวิธีที่ถูกต้องมาก่อนว่าการนั่งสมาธิเพื่อทําให้จิตสงบนี้จะต้องทําอะไรบ้างนั่นเองต้องศึกษาวิธีนั่งสมาธิจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบต้องมีสติคอยระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆต้องสร้างสติทั้งวันทั้งคืน ตั้งแต่ตื่นจนหลับพยายามคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้าจำเป็นจะต้องคิดก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวปล่อยให้คิดเรื่องที่จำเป็นต้องคิดพอคิดเสร็จแล้วไปทำอะไรแียบร้อยแ ล, แล้วเรากลับมาพุโทโธต่อถ้าจิต จ, จะไปคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดต่อไปก็ใช้คารบริกรรมพุโทโธพุทโธนี้คอยควบคุมคอยหยุดมัน ถ้าเราควบคุมความคิดที่ไม่จำเป็นได้เวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะไม่คิดพอคิดเราก็ใช้พุทธโธพุทธโธไปนี่ก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้ใจนิ่งสงบเป็นฌานขึ้นมาได้ต้องมีการใช้คาบริกรรมพุทธโธหรือถ้าไม่ใช้พุทธโธก็ต้องใช้การดูลมหายใจเข้าออก<ม>การเฝ้าดูลมหายใจเข้าออก ก็จะป้องกันไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าใจคิดก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับลมเข้าลมออกเพียงอย่างเดียวนั่งหลับตาแล้วก็คอยเฝ้าดูลมที่ปลายจมูกเพราะลมมันจะต้องเข้าออกตรงปลายจมูกนั้นฮะอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมา ให้นั่นให้เฝ้าดูว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าก็รู้ว่ากำลังเข้าลมกำลังออกก็รู้ว่ากำลังออกลมจะสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรตอนที่ไม่มีลมก็รู้ว่าให้รู้อยู่กับความว่างรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลม รู้ว่าไม่มีความคิดอะไรถ้ามีความคิดก็ต้องหยุดความคิดนั้นอย่าไปคิดไม่ใช่พอลมหายก็คิดว่าเฮ้ลมหายแล้วเราจะตายหรือเปล่าถ้าปล่อยให้คิดจิตมันก็จะถอนออกมาจิตที่ใกล้จะรวมเข้าสู่ความสงบก็รวมไม่ได้ถ้าจะให้จิตรวมก็ต้องรู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ลมละเอียดจนไม่สามารถเห็นลมได้แต่ไม่กังวลว่าจะตาย พอรู้ว่าผู้ที่ภาวนาจิตภาวนาด้วยอาณาปณาสตินี้ไม่มีใครตายมีแต่ใจจะรวมเข้าสู่สมาธิเป็นฌานขั้นต่างๆต่อไปเท่านั้นให้รู้เท่านี้แล้วก็ให้รู้ไปเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบก็เหมือนกับตกลุมตกบ่อลงไปตกลงจากที่สูง พอติดตกลงไปถึงตกลงมาปั๊บจิตก็นิ่งสงบตอนนั้นไม่ต้องใช้อะไรคอยควบคุมบมังครับแนละ้วจิตมันจะไม่ทำงานจะพักผ่อนชั่วคราวใหม่ๆนี้มันจะสงบได้เพียงแป๊บเดียวเข้าไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาเพราะกำลังของสตินี้ยังมีไม่มากพอ มีมากพอที่จะดึงให้จิตเข้าสู่ความสงบได้แต่ไม่สามารถดึงให้อยู่ได้นานๆเพราะการปฏิบัติยังไม่ได้มากเท่าที่ควรแต่นี่ก็เรียกว่าสมาธิเรียกว่าคันิกะสมาธิคือจิตสงบช่วงช่วงแวบหนึ่งช่วงงูแลบลิ้น แล้วพอได้สัมผัสกับความสงบที่มีความสุขที่มหัศจรรย์ใจแล้วก็จะเกิดฉันทะวิริยะตามมาอยากจะปฏิบัติอยากจะเจริญสติให้มากให้บ่อยขึ้นเพราะเห็นคุณค่าประโยชน์ของการเจริญสติก็จะพยายามฝึกสติต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็จะ พยายามถือศีลแปดให้บ่อยขึ้นเพราะไม่ต้องการที่จะไปหาความสุขแบบยาบอีกต่อไปเมื่อได้พบกับความสุขที่ละเอียดของจิตใจแล้วก็จะอยากจะมาหาความสุขแบบนี้ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปก็จะได้ความสงบที่ยาวนานและความสงบที่ง่ายดายต้องการที่จะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้ อันนี้ก็จะทําให้เราได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วมาถึงสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็พร้อมที่จะออกจากสวรรค์ชั้นพรหมไปสู่พระนิพพานได้ถ้าเรามาเริ่มปฏิบัติ ว, วิปัสสนาภาวนามาศึกษาสาเหตุที่ดึงให้จิตของเราต้องติดอยู่ในตายภพก็มีอยู่สามตายภพมีอยู่สามเหตุที่ดึงให้ติดอยู่ในตายภพก็มีอยู่สาม เหตุที่ทำให้เราติดอยู่ในกามะพบก็คือกามะตนาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ต, ต่างๆเหตุที่พาให้เรามาติดอยู่ในรูประพบก็คือภาวะตันหาเหตุที่พาให้เรามาติดอรูประพบก็คือวิภาวะตันหาเราก็ต้องละตันหาทั้งสามนี้ เวลาเกิดกามาตัญหาก็ต้องใช้ปัญญาคือตายรักมาสอนใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพให้ความสุขกับเรานี้ไม่เที่ยงมันมีวันหมดได้พอมันหมดแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์เนี่ยถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสพมันนี่มันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราอย่างถาวรไม่ได้มันเป็นอนัตตาให้พิจารณาว่า การมาพบการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขที่ได้จากการเกิดในการมาพบจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้เห็นอย่างนี้จะได้เลิกเสบกามได้เวลาเสพรูปประจานก็เช่นเดียวกันให้รู้ว่ารูปประจานก็เป็นของชั่วคราวได้รูปประจานแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกจากรูปประจานมาออกมาสู่ สภาพจิตที่ปกติก็จะเกิดความเสียดายเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเช่นเดียวกับอารูปฌปานต้องละความอยากในการเสบรูปประฌานกับอารูปฌปานลงละความอยากเสบกรามรูปเสียงกลิ่นรสลงทุกครั้งที่เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาพอเห็นพอใช้ไตายลกคืออนิจจังทุกขงังอนัตตา พอใช้ตายรักแล้วความอยากจะเสกก็จะหายไปเพราะไม่อยากจะไปเจอความทุกข์เวลาที่มันเสริมเวลาที่มันหมดนั่นเองพอละความอยากทั้งสามนี้หมดสิ้นไปได้จิตก็จะไม่กลับมาเกิดในตายพบอีต่อไปจิตก็จะไปอยู่ที่นิพพานอยู่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่มีแต่ความสงบที่ถาวรเพราะสิ่งที่มา ทำให้จิตไม่สงบได้ถูกทำลายไปหมดแล้วด้วยปัญญาคือไตรลักสิ่งที่ทำให้จิตไม่สงบที่ทำให้จิตต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหานี่เองนี่คือบุญขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นตามลำดับขั้นของการปฏิบัติ ขั้นตอนก็ให้ศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็นํามาไปปฏิบัติทำทานขั้นที่ปฏิบัติขั้นที่หนึ่งด้วยการทําบุญทําทานขั้นที่สองด้วยการรักษาศีลห้าขั้นที่สก็เพิ่มจากศีลห้าไปเป็นศีล8 แ, แล้วก็หัดจเจริญสมถภาวนาจเจริญสติเพื่อทำจิตให้สงบ เป็นฌานทั้งรูปประฌานและอรูปประฌานแล้วหลังจากนั้นก็ให้เจริญวิปัสสนาภาวนาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในตายพบว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาถ้ายัางจะหาความสุขจากตายพบอยู่ก็อย่าต้องเจอความทุกข์ของตายพบนะถ้าไม่ต้องการเจอความทุกข์ของตายพบก็เลิกหาความสุขจากตายพบเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ดรอขาความสุขจากรูปประชาญและอารูปประชานพอเลิกได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพอีกต่อไปอ น, นี่คือเรื่องของการทำบุญต่างๆของทางพระพุทธศาสนาที่นำอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปาลิปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอโตทิน e ังเปตางนังอุปกปติอ an ิชิตังปฏชิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามะนีโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวาโตอันตารายุสุขิทิขายุโกภวา อาพิวาทนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวนโนสุขังภาลังลำ ด, ดับต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถามได้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกแล้วก็จะต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อเลยไม่มีเวลาที่จะตอบคำถามได้อยากจะถามขอเชิญถามในช่วงนี้ถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ปฏิบัติและผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่เจ้าค่าทาง Facebook 375 YouTube 293หทยิวิีโอออนไลน์18 แลฟังบนเขา175รวมทั้งสิ้น861ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณพชระค่ะการพูดเพ้อเจ้อเป็นการปล่อยมุขตลกถือว่าเป็นการผิดศีลข้อสี่หรือไม่ครับก็แล้วแต่ของนี้บางทีถ้าพูดแล้วมันทำให้เกิดความรู้ว่าบางทีพูดบางอย่างมันเสริม กันก็ไม่เป็นปัญหาแต่พูดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลพูดแบบ เ, เป็นนิสัยมันก็อาจจะไม่ควรควรจะพูดแต่สิ่งที่มีสาระประโยชน์แต่นานๆทีเป็นเหมือนชูรสก็ไม่เป็นไรใส่เป็นนิสัยผักชีโยหน้าหน่อยมันก็อาจจะทําให้ดูแล้วมีชีวิตชีวาขึ้นก็นได้อันนี้ก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ไม่พูดอะไรมีมุกตลกบ้างมีอะไรบ้าง แต่มีธรรมะแฝงอยู่เสมอคำถามจากคุณนิยาค่ะบางทีเรารู้ว่าสิ่งที่จะทำเป็นบาปแต่เราไม่สามารถห้ามไม่ให้ทําได้เพราะบางครั้งจิตคึกขนองอย่างรุนแรงมากหักห้ามยากมากเลยบางทีมันก็ไม่ยอมฟังมันพยายามฝืนธรรมะควรรับมืออย่างไรเพราะบางครั้งกิเลสความคึกขนองมันแรงมากค่ะก็ต้องหมันฝึกสติให้มีมากขึ้น สติเป็นเหมือนเบรกรถยนต์ก็เหมือนกันรถยนต์ก็ต้องมีเบรกถ้าเราขับรถแล้วเรารู้ว่ารถเราเริ่มไม่ยอมหยุดเวลาเราเบรกเราก็ต้องเข้าอู่เราไม่ก้าวมาขับตามท้องถนนเดี๋ยวถึงเวลาจะหยุดก็หยุดไม่ได้จิตเราก็เหมือนกันพอถึงเวลาเราควรจะหยุดมันไม่หยุดเราแสดงว่าเบรกเราไม่ดีเราก็ต้องเข้าอู่ไปเสริมเบรกไปปฏิบัติ ไปอยู่วัดที่เขามีหลักสูตรให้อยู่อันสิบวันห้าวันเจ็ดวันไปเติมสติกันไปฝึกสติกันต่อไปเราก็จะมีกำลังพอที่จะหยุดความคิดที่ไม่ดีต่างๆได้หยุดการกระทําที่ไม่ดีได้สวัสดีเจ้าค่ะขอความกรุณาเจ้าค่ะ ในกรณีที่หนูมีความปรารถนาเสมอต้นเสมอปลายที่ไม่อยากจะเกิดอีกนะเจ้าคะ่ะถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมเจ้าค่ะไม่เป็นการไม่อยากเกิดนี่เป็นมรรคเพราะเห็นโทษของการเกิดว่าต้องเกิดความแก่ความเจ็บความตายต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆการไม่เกิดได้เนี่ยดีที่สุด แต่นอกจากความอยากไม่เกิดแล้วต้องปฏิบัติเหตุที่จะทำให้เราไม่มาเกิดเจ้าค่ะถ้าอยากเฉยๆมันก็จะหยุดความความการเกิดไม่ได้เจ้าค่ะจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเจ้าค่ะในส่วนของตรงนี้หนูต้องเข้าสู่ที่ อ, อริยมรคมร์มร์ ก็ขึ้นไปตามลําดับเหมือนกับการเรียนหนังสือเราก็ต้องเข้าโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลไปอนุบาลประถมมัธยมแล้วก็ไปถึงอริยามรรตตามตามลำดับต่อไปเจ้าค่ะทำบุญทําทานสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เจ้าค่ะนักษาศีลห้าให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เพิ่มเป็นศีลแปดแล้วก็ไปอยู่วัดไปปฏิบัติภาวนาแล้วก็ฟังเทศฟังธรรม สลับกันไปเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ไปถึงนิพพานเองในส่วนของในในแต่ละวันในการปฏิบัติแต่ละวันนะเจ้าค่ะมันมีสมาธิฐิแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นสลับกันเหมือนเป็นหนังแต่ละฉากแต่ละฉาอย่างนี้คือการที่เราสมาธิยังไม่ทันยงสติยังไม่ยังไม่พอยังคอยคบวบคุมความคิดให้นิ่งให้สงบหรือไม่ให้คิดไปในทางที่ผิดได้ก็ต้องฝึกสติบ่อยๆอย่างที่พูดอนุษอ พุทธานุสติพุทโธไปเื่มตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปพอจะไปคิดทางมิจฉาทิฏฐิก็พุทโธพุทโธหยุดมันไปเจ้าค่ะอตอนนี้หนูอารัธนาสินโดยที่มีสินห้าขนาบจิตไประหว่างวันไม่ว่าจะคิดจะพูดออจะทาแต่ว่าในส่วนของกิเลสตัณหามันก็ยังมีสลับเข้าออก ตัวที่จะขนาบจิตได้ไม่ใช่ศีลหรอกศีลเป็นปลายตัวที่จะมาขนาบจิตได้ต้องคือสติ oh. ต้องมีสติควบคุมความคิดคถ้าควบคุมความคิดได้มันจะคิดไปทําบาปก็คิดไม่ได้ค่ะศีลไม่ไม่ได้เป็นตัวไปขนาเป็นตัวกัน้นแต่มันหยุดความคิดทําบาปไม่ได้ศีลเพียง แ, แต่ว่าพอมีศีลมันก็ไม่กล้าทําบาปแต่มันยังคิดทําบาปอยู่ ถ้าอยากจะให้มันหยุดคิดทำบาปต้องใช้สติใช้พุโทโธพอจะคิดทำบาปก็พุโทโธพุโทโธไปเจ้าค่ะแล้วก็ขอรบ ก, กวนอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะก่อนหน้านี้สมัยเดิมที่หนูเคยสอบถามพระอาจารย์สอบถามหลวงพ่อว่าหนูเห็นตัวหนูเนี่ยเป็นเหมือนโสดแล้วเกิด <c oughs> เกิดการสังเวชหลวงพ่อบอกว่าให้หนูกลับไปสมาธิใหม่ให้เข้มแข็งกว่านี้ตอนนี้ไม่เห็นตัวเองเป็นโสดแต่เห็นผู้อื่นเป็นโศก แล้วก็ไม่ได้เกิดการสังเวชแต่ว่ายังเห็นไตรักไม่ไม่ครบบางครั้งก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่ในบางภาวะบางสถานะบางเวลาก็เห็นไม่ได้อย่างนี้ค่ะไม่ไม่คือเห็นเขาเป็นเป็นศพที่เดินได้นั่งได้แต่มันเห็นไตรักษไม่ครบแล้วก็ในส่วนของในส่วนของเวลา ทุกๆเย็ A, นนะเจ้าค่ะหนูก็จะเดินสมาธิผ่อนคลายก่อนที่จะเข้าสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะเห็นตัวเองเห็นขาตัวเองมีแต่กระดูกแต่ก็คือไม่มีการสังเวชแต่ว่ามันมันไม่เกิดปัญญาเจ้าค่ะได้แต่เห็น cue, ก็เห็นส่วนนี้ก็ถูกแล้วเห็นแต่้เห็นแล้วเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายให้ได้ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงกระดูก มันไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยเห็นนาตานั่นแต่ว่าหนูยังมีมานะและทิฏฐิอยู่ในบางส่วนยังมีถ้ายังเห็นว่าเป็นของเราอยู่ก็ยังยังถือว่ายังไม่ใช่เจ้าต้องเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ํำลมไฟจทำมาจากดินน้ํำลมไฟค้นหาตัวเราในร่างกายนี้หาอย่างไงก็ไม่มีมีแต่อาการสาวสิบสองเจ้าค่ะอืม ในบางครั้งปัญญามันเกิดเกิดระยะสั้นๆบางครั้งเราเห็นว่าร่างกายเราก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงจิตเราก็ไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ถาวรแม้แต่จิตแม้แต่ร่างกายแต่มันเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาชั่วระยะสั้นๆเป็นครั้งคราวก็ต้องหมั่นเจริญให้มันเห็นตลอดเวลาเจ้าค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ปัญญานี้มาตัดกิเลสตอนที่กิเลสมันโผล่ขึ้นมา อกิเลสมันจะมายึดร่างกายเราก็ต้องใช้ปัญญามามาตัดกิเลสถ้าเราไม่คิดทางปัญญาอยู่เรื่อยๆเวลากิเลสโผล่ขึ้นมาปัญญาไม่โผล่ขึ้นมามันก็ยังตัดไม่ได้อ๋อ oh, นั้นปัญญา<น>ต้องทันกิเลสพูดง่ายๆเจ้าค่ะ มันจึงเป็นเหตุที่ให้หนูมีทั้งสัมมาทิฏฐิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิสลับกันเพราะว่าปัญญาไม่เกิดเพราะส่วนใหญ่เราย ah ังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่สัมมาทิฏฐิเรายังมีน้อยอยู่เจ้าค่ะเราต้องจเจริญสัมมาทิฏฐิด้วยการพิจารณาไตายรักษณอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะจ้าทูขอความเพียร น, นี้นําหนูไปสูก่การไม่เกิดนะจ๊ะไปแน่ๆถ้าขอปฏิบัติไม่หยุดค่ะคำถามจากคุณชัยศิลิค่ะ พี่สาวกับลูกสาวมีเรื่องบาดหมาง ก, กันลูกจะเตือนสติหลานยังไงดีเจ้าคะก็อยู่ที่เขาจให้เตือนหรือไม่เตือนะเขาไม่เตือนพูดไปก็เหมือนเทน้ําใส่หนังหมาเทไปมันก็สลัดทิ้งหมดเสียดายน้ําเสียดายคํา ส, สอนที่ดีๆ ในดีไม่ดีเขากลับจะมาโกรธมาเกลียดเราถ้าเขาไม่ยินดีที่จะรับฟังยันก็ต้องลองดูท่าทีเขาว่าเขาอยากจะฟังหรือไม่ฟัง ถาอยากก็จะได้ค่อยๆเตือนเขาไปว่าการทะเลาะ ก, กันไม่ดีหรอกต่างคนต่างอยู่ได้ต่างคนต่างมีความคิดความเห็นต่างกันได้สมหวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนอยู่ร่วมกันก็เอาเรื่องที่เหมือนกันมาพูดมาคุยกันเรื่องที่ไม่เหมือนกันไม่เห็นตรงกันก็เก็บไว้ของใครของมันไปมันก็อยู่กันได้ไม่จาเป็นที่จะต้องมาบังคับให้เห็นเหมือนกันในทุกสิ่งทุกอย่างคาถามจากคุณปุ้มคะ่ะ ถ้าเราฝันหลังจากที่เราหลับหลังจากที่นั่งสมาธิความฝันนี้จะเชื่อถือได้หรือไม่คะก็อยู่ที่ว่าเราพิสูจน์มันได้หรือ ว, ว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงถ้าไม่เป็นจริงมันก็มันก็ไม่จริงแต่ถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อคือใหอ้ฟังหูไว้หู ให้รู้ว่าฝันอย่างนี้แล้วก็รอดูซิว่ามันเป็นไปตามตามที่เราฝันหรือไม่ถ้าเป็นเราก็จะได้รู้ว่าฝันอันนี้มันแม่นแต่ก็ไม่ได้มาคำว่าอันนี้แม่นแล้วตัวอื่นมันจะแม่นก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีความมั่นใจสิบสิบครั้งก็จริงสิบครั้งอย่างนี้โอกาสที่มันจะไม่จริงมันก็คงจะน้อยนะทีนี้ก็อาจจะเชื่อได้ คำถามจากคุณรัชพลค่ะผมนั่งสมาธิทุกวันวันละสามถึงสี่ครั้งรอบหนึ่งตั้งแต่สี่สิบนาทีขึ้นไปรวมจิตเข้าสมาธิได้ดีลึกเบาสบายแต่ผ่านครึ่งชั่วโมงก็เจอเวทนาตลอดเจอมาเดือนกว่าแล้วครับแรกๆ ก, ก็รัวพุทโธสู้กันไปผ่านได้ก็แค่ประครับประคองส่วนใหญ่ไม่ผ่านครับหลังๆก็เริ่มคิดทางปัญญาช่วยคิดเป็นไฟเผาร่าง ทิ้งบ้างให้เหลือแต่ใจก็ผ่านได้ครั้งแรกๆต่อมาก็ไม่ได้ผลก็ลองแบบใหม่คิดว่ากายไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เกิดเกิดดับดับพยายามอยู่นิ่งๆกับใจให้ไม่กระเพื่อมทนกันไปรู้เฉยๆรอให้ดับไปก็รู้ว่าเบาลงตามลำดับแต่ก็ยังไม่ดับหมด คำถามคือเราต้องคิดอุบายทางปัญญาแก้เวทนาไปเรื่อยๆหรือทําอย่างไรต่อครับให้ผ่านเวทนาตัวนี้ไปได้ก็นั่นแหละก็ต้องใช้ปัญญาพลิกไปพลิกมาใช้แบบนี้ไม่ได้ก็ใช้อีกแบบหนึ่งพิจารณาเปรียบเทียบไปให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้ของเราเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกนี่เราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ แต่เราอยู่กับเขาได้ด้วยการยอมรับเขาฝนตกก็ปล่อยให้มันตกไปแดดออกก็ปล่อยให้มันออกไปเวทนาเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปเราอย่าไปให้เกิดความอยากให้มันหายมันก็จะไม่เป็นปัญหาปัญหาของเราก็คือความอยากอยากให้ทุกเวทนาหายไปหรืออยากให้มันไม่เกิดมันก็เหมือนกับไปอยากไม่ให้ฝนตกไม่ให้แดดออกพอไปอยากกับฝนกับ ดินฟ้าอากาศเราก็จะวุ่นวายไปกับผลฟ้าอากาศแต่ถ้าเราไม่ไปอยากเขาเราก็จะไม่วุ่นวายเนเราต้องพยายามมองให้เห็นเวทนาว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมีอยู่สามลักษณะสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ได้มันไม่ได้แต่อยู่กับมันได้ ด้วยการทำใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางพุโทโธพุโทโธไปถ้ามันเกิดความอยากจะให้มันหายไปต่อไปมันก็จะเฉยได้ต้องฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆคำถามจากคุณอาจารย์ีคะ่ะเห็นความไม่เที่ยงแล้วเกิดทุกข์ใจบางทีเห็นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ก็นึกถึงสร้างศพเราต้องจัดการกับความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรคะ ก็เรายังไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกนี้เป็นโลกของการเกิดแก่เจ็บตายโลกของการ อ, อยู่รอดสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์เล็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราต้องศึกษาความเป็นจริงของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในที่สุดก็ต้องตายไปต้องกลายเป็นอาหารของผู้อื่นไปนะครับ ถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปเราก็จะไม่รู้สึกโกดธหูใจคำถามจากคุณบังเอิญไม่มีในโลกผมจะไปเรียนนายสิบทหารบกแต่ครอบครัวไม่อยากให้ไปผมเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ผมจะทำตามสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก่อนถูกหรือไม่ครับก็แล้วแต่เราถ้าเราคิดว่าเราอยากจะถามประโยชน์กับส่วนรวมก็ไม่เสียหายหตรงไหน แต่ตามหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำประโยชน์ของตนก่อนล้วค่อยไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปประโยชน์ของตนที่แท้จริงก็คือการทำให้ตนลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้ก่อนเมื่อทำตอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็ไปสอนผู้อื่นให้ รู้จักวิธีทําให้ตนให้เขาให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ของเขาได้อันนี้ก็เป็นการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างถูกต้องประโยชน์แบบอื่นมันก็อาจจะเป็นประโยชน์แบบชั่วครั้งชั่วคราวเช่นประโยชน์ทางร่างกายนี้เป็นประโยชน์ชั่วคราวยังไม่ได้เป็นประโยชน์ที่ถาวรประโยชน์ที่ถาวรต้องเป็นประโยชน์ทางจิตใจทําให้จิตใจพ้นทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิด ปัญหาต่างๆก็จะหมดสิ้นไปถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ก็ยังต้องมาเจอปัญหาต่างๆที่ตามมาจากการมาเกิดต่อไปอยู่คำถามจากคุณนิยาค่ะถ้าเราพูดเรื่องทางโลกแบบทั่วๆไปแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์สาระอะไรเท่าไหร่จัดเป็นการพูดเพ้อเจ้อไหมเช้าคะก็เป็นการเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรโซพูดเรื่องที่มีประโยชน์มีความรู้ทางวิชาการก็ได้ทางโลกก็ได้ ทางทำก็ได้เพราะความรู้นี่สามารถเอานำเอาไปทำประโยชน์ให้กับเราได้พูดเพราเจอแล้วก็เสียน้ำลายไปเปล่าเหนื่อยเมื่อยปากไปเปล่าๆคำถามจากคุณยาต่อค่ะคำพูดที่ฟังแล้วระคายเคืองหูจัดเป็นคำหยาบหรือเปล่าเจ้าคะแล้วคำด่าล่ะคะจัดเป็นคำด่าหมดจัดเป็นคาหยาบหมดเลยไหมเจ้าคะ ก็ลองไปเปิดพจนานุกรมดูคำนิยามดีกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> จากคำถามจากคุณอัศดาวุฒิค่ะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนคำนี้จริงแค่ไหนครับความพยายามของเราจะเอาชนะสิ่งที่ลิขิตได้อย่างไรครับ ความจริงฟ้าลิขิตไม่ได้หรอกฟ้าเขาก็เป็นฟ้าผู้ที่ลิขิชชาตชะตาาของพวกเราก็คือการกระทําของเราที่เรียกว่ากรรมนั่นเองถ้าเราทํากรรมดีเราก็จะลิขิตชีวิตของเราให้ดีถ้าเราทํากรรมไม่ดีเราก็จะลิขิตชีวิตของเราให้ไม่ดีเั้นขอให้เรามีมานะในการลิขิตการทําความดีก็แล้วกันแล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นไปตามลาดับ คำถามจากคุณียาค่ะไม่สบายใจกลัวไปทําบาปกับพ่อแม่ควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ iendo, ต้องพยายามระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่อยู่เรื่อยระลึกถึงพระคุณท่านเลี้ยงดูเรามาให้ชีวิตกับเรามาเมื่อเราเห็นบุญคุณของท่านเราก็จะไม่กล้าทําบาปทำร้ายท่านเราก็อยากจะทําบุญทำทำให้ท่านมีความสุข การที่เรากล้าที่จะทำบาปกับพ่อแม่เพราะเราลืมบุญคุณของพ่อแม่ไปเห็นเราต้องหมั่เระลึกถึงบุญคุณทุกเชา้าทุกเย็น บ่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมแล้วเวลาที่จะคิดความไม่ดีต่างๆกับพ่อแม่ก็จะหยุดมันได้บอกว่าเรากําลังคิดไปในทางที่ไม่ถูกพ่อแม่นี้เขาดีกับเราทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราได้ก็เพราะพ่อแม่นี้เองแล้วเราจะไปคิดร้ายกับพ่อแม่ได้อย่างไร คำถามจากคุณวิชัยคะ่ะมาฟังคำจากพระอาจารย์บ่อยๆมังจะเจอผู้ฟังที่ชอบคุยกันระหว่างที่พระอาจารย์เทศอย่างน่าสุดเจ้าหน้าที่ต้องมาเตือนว่ารบ ก, กวนผู้อื่นเพราะว่าพ่อแม่กับลูกลอเล่นกันเสียงรบ ก, กวนผู้ฟังท่านอื่นพอถูกเตือนก็ชักสีหน้าไม่พอใจแบบนี้ควรจะเตือนเขาอย่างไรดีครับออไม่ใช่หน้าที่ของเราไปเตือนเขาหรอก ก็ปล่อยเขาไปเราก็ย้ายที่ก็แล้วกันไปนั่งที่มันไม่มีใครเขาคุยกันมานั่งมูลศาลาเนะี่ยจะไม่มีใครกล้าคุยกันพะพะคุยจะได้เชิญเขาไปเราไปแก้คนอื่นไม่ได้หรอกเราแก้ตัวเราดีกว่าถ้าเราไปนั่งที่มันไม่สงบเราก็ย้ายที่แ้่ก็หมดปัญหาไป พอถ้าเราไปคอยแก้คนนั้นเดี๋ยวคนใหม่มาให้ก็มีเรื่องเดิมอีกให้เราแก้ ก, ก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆแล้วแก้กับคนอื่นเดี๋ยวก็มีเวรมีกรรมกันอีกทําให้เขาเกลียดขี้หน้าเราอีกเย่นถ้าเราไม่มีหน้าที่ไปว่ากล่าวตักเตือนเขาเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เขาช่วยพูดก็แล้วกัน คำถามจากคุณอิสรีคะ่ะสองวันก่อนมีอาการปวดท้องรุนแรงมากจนต้องตามสามีกลับมาเอายามาให้แต่ระหว่างมาเวทนามันรุนแรงจนภาวนาดูความปวดเป็นผู้ดูเหมือนซ้อมปว่วยใกล้ตายยอมตายจนอาการทุกอย่างหายไปก่อนที่จะได้ยามาแบบนี้ถือเป็นธรรมโอสถหรือการใช้ปัญญาแก้ปัญหาไหมคะ ถูกต้องแล้วแหละถ้าเราทําให้จิตเราสงบได้ทำกลางความเจ็บปวดของร่างกายได้ก็แสดงว่าเราเห็นห น, น้านาตาเห็นว่าเวทนาเป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้มันจะปวดก็ปล่อยมันปวดไปอย่าไปอยากให้มันหายเพราะความอยากเป็นสมุทยัยสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพอเราเรายอมรับความเจ็บปวดได้ความทุกข์ทรมานใจก็หายไปใจก็สงบอยู่กับความเจ็บปวดได้